ธรรมชั้นโทมูลที่แปดเรื่องอากุศลวิตกโดยพระมหาเาัยรัตถิตักศิโลจเจริญสุขท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายธรรมในวันนี้จะบรรยายในหลักสูตรของนักธรรมชั้นโทเพื่อเป็นประโยชน์แก่นักเรียนนักศึกษาและท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายสืบต่อไปวันนี้จะได้พูดถึงหมวดที่สาม ในหัวข้อว่าอาุสลวิตกสามคือหนึ่งกามวิตกความตริในทางกามสองพยาบาทวิตกความตริในทางพยาบาทสามวิหิงสาวิตกความตริในทางเบียดเบียนประการแรกขอให้ท่านทั้งหลายมาทาความเข้าใจกับคําว่าอากุสลวิตกเสียก่อน เพราะว่าอากุสนลวิตกแปลว่าความตรตรองเป็นไปในฝ่ายอากุศลจึงเรียกว่าอากุศลวิตกพูดง่ายๆก็คือว่าตรึกในทางที่ไม่ดีไม่งามในทางที่ไม่ถูกไม่ควรอก็หมายความว่าตรึกในสิ่งที่เป็นบาตตรึกในสิ่งที่ไปเป็นบาปเป็นฝ่ายอากุศล ในทางแห่งความชั่วในทางที่ทําจิตใจให้เศร้าหมองดังนั้นอากุศลวิตกนี้จึงจําแนกออกไว้มีสามอย่างคือหนึ่งกามาวิตกได้แก่ความตระตรองสิ่งที่ประกอบด้วยอธรรมคือหมายถึงว่าสิ่งที่ไม่เป็นธรรมคือเป็นฝ่ายอากุศลโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือตรึกไปในทางราคะคือความกําหนัด เป็นการตรึกของผู้หนักไปในทางกามหรือในทางหาลาภผลความกำหนัดยินดีอันไม่ชอบทำคือคิดแสบไปในการทำกาเมสุมิจฉาจานกระพืดผิดในภรรยาของเขาหรือว่าในหญิงที่มีมารดาบิดาคุ้มครองเป็นต้นและทำความผิดประเวณีคือคิดแสบไปในทางเสดเมถุนหรือว่าเสดกาม กับบรรดาสัตว์เดือดฉานทั้งหลายหรือว่าทำสังวาส ด, ด้วยบุรุษเพศเป็นต้นถ้าคิดแสบในทางการ ม, มีราคะเป็นมูลถ้าคิดแสบในทางหาลาบก็มีโลภะเป็นมูลความตรึกรในทางทั้งหมดอันไม่เกี่ยวในทางการ ม, มีโลภะอภิชาเป็นสมุดฐานฉะนั้นในข้อแรกที่บอกว่าตรึกรในทางการพูดง่ายๆก็คือว่า แต่ไปในทางรูปในทางเสียงในทางกลิ่นในทางรสในการสัมผัสนะนี่เกิไปในทางนี้คนที่ติดอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในการสัมผัสจิตใจก็จะหมกมุ่นนะหมกมุ่นแล้วก็มัวเมาอยู่กับสิ่งเหล่านี้ก็พยายามแสวงหารูปนะแสวงหารูปตามที่ตนได้ติกนึกคิดไว้หาเสียงหากลิ่นหารส ถึงแม้ว่ายังไม่กระทำแต่ก็นึกคิดอยู่ในใจคิดสแสวงหาอยู่ในใจนะคิดสแสวงหาอยู่อยู่ในใจมันก็เกิดเป็นบาปทางใจเป็นความเศร้าหมองทางใจทำให้ใจของเรานี้กระตุ้มเหมือนกับไฟสมขอนนะเป็นไฟสมขอนมีแต่ทุกขมีแต่โทษมีแต่ความเดือดร้อนมีแต่ความกระวนกระวายฉะนั้นอาผู้ที่ อาตรึกไปในทางการวิตกนี้ก็ได้ชื่อว่าผู้นั้นหนักไปในทางอคุศโลวิตกมาในข้อที่สองพยาบาทวิตกหมายความว่าตรึกอันมีโทสะเป็นมูลคือได้ประสบอนิถารลมในเมื่อถูกผู้อื่นด่าว่าหรือประหัตประหารตนเป็นเหตุมาก่อนจึงได้คิดดําริทําลายหรือว่าตัดทอนเขา เพื่อแก้แค้นตอบแทนเพื่อให้สมกับความเจ็บใจของตนฉะนั้นถ้าหากว่าผู้ใดมีความตรึกนึกคิดในทางพยาบาทก็เท่ากับว่าผู้นั้นได้สร้างไฟให้เกิดขึ้นในใจนะสร้างไฟให้เกิดขึ้นในใจคือคิดแต่ที่จะทําลายผู้อื่นคิดแต่ในทางอิจฉาริษยาพยาบาทผู้อื่น คิดแต่ในทางติชินนินทาผู้อื่นนี่แหละคนประเภทนี้แหละเธอสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจให้กับตัวเองนะให้กับตัวเองแล้วก็พยายามที่จะเอาความคิดของตัวเองนี่แหละไปให้ผู้อื่นได้รับรู้รับทราบโลกเราสังคมเราที่ปั่นป่วนทุกวันนี้ก็เพราะมีบุคคลประเภทนี้คอยอยุแยงแตะแขงแย่คอยให้ร้ายป้ายสี คอยเสี้ยมสอนคอยคิดทำลายผู้อื่นคนประเภทนี้เขาเรียกว่าไม่มีดีจะอวดนะไม่มีดีจะอวดคือพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างนะพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างคิดเแต่ว่าการที่ตัวเองได้ทำลายเขาเสียได้นั่นละมีความสุขมีความเจริญนะถ้าหากว่าอะไรที่ตัวเองได้ทำให้เขาได้เกิดความหายนะ เกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนตัวเองก็รู้สึกดีใจสบายใจนี่แหละคนประเภทนี้เนะี่ยคือคนที่ทําลายตัวเองคือคนที่ฆ่าตัวเองคนที่ขุดหลงฝังตัวเองฉะนั้นขอให้เราทุกคนจงพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้นะอย่าเป็นคนคิดพยาบาทเพราะไอ้ตัวพยาบาทนี่แนะ่ะมันเป็นตัวทําลายนะทําลาย เห็นใครได้ดีแล้วก็รู้สึกว่าใจมันเดือดร้อนนะใจเดือดร้อนไม่อยากให้เขาดีไปเกินหน้านะไม่อยากให้เขาดีไปเกินหน้าตัวเองแทนที่ว่าจะดีอกดีใจกับเขาเปล่าคอยคิดแต่ว่าเขาได้ดีกว่าเราไม่ได้นะมันจะต้องเป็นอย่างนั้นมันจะต้องเป็นอย่างนี้นี่คนเราโดยมากมันเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้อวดดีกันชิงดีชิงเด่นกัน ประหัดประหารกันเอารัดเอาเปรียบกันใส่ร้ายป้ายสีกันเขาผิดน้อยก็ว่าเขาผิดมากเขาผิดมากก็ดใส่ร้ายซจนเสียผู้เสียคนไปเลยบางคนไม่มีความผิดไม่มีเรื่องราวอะไรก็เอาไปกล่าวหาเขาพูดพล่อยพล่อยนี่แหละเขาจึงเรียกว่าพวกปากหอยปากปูปากจาก้าปากตะแกรงปากเนี้ยวปากแหวง่งมันเป็นอย่างนั้น แต่ว่าคำว่าอกุศลละ ว, วิตกในที่นี้ยังไม่ได้กระทำออกไปเพียงแต่ว่าตริตอยู่ในใจหาทางที่จะทำลายหาทางที่จะแก้แค้นหาช่องทางที่จะคิดทำให้ผู้อื่นต้องอตกรกรรมลำบากนี่อย่างนี้เรียกว่าพยาบาทวิตกนะพยาบาทวิตกคือไปคิดอยู่ว่าถ้าหากว่า ตอนได้คิดทำลายหรือว่าตัดทอนเขาอาเพื่อแก้แค้นตอบแทนเขาเพื่อให้สาสมกับความเจ็บใจของตนจะได้นั่นลหละเป็นความสุขจริงๆแล้วมันไม่เป็นความสุขมันกลับเป็นความทุกข์มันกลับเป็นความเดือดร้อนนะมันกลับเป็นความเดือดร้อนนี่เป็นข้อสองมาในข้อที่สามวิหิงสาวิตกวิหิงสาวิตกหมายเอาความตรึก อันมีโมหะเป็นมูลมีวิตกของคนผู้หนักไปในทางเบียดเบียนไม่มีกรุณามุมตตาแก่ผู้อื่นมีความหึงไม่อยากให้ผู้อื่นดีเกินตนมุ่งแต่จะได้ฝ่ายเดียวไม่แร่เหลียวถึงความเดือดร้อนความตกรกรรมลำบากของผู้อื่นอย่างนี้เด่กเขาเรียกว่าคนที่ตึกในการที่จะเบียดเบียนผู้อื่นอยู่ตลอดเวลา คนเราโดยมากเป็นอย่างนั้นเขาจึงบอกว่าในความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นทุกวันนี้ไม่มีใครเขาเราไม่มีใครเขาทำให้เราทุกข์หรอกตัวของเราเองต่างหากที่ทำตัวของเราให้ทุกข์ตัวของเราเองต่างหากที่ทำให้เกิดความ เ, าเดือดร้อนนี่คนประเภทนี้เขาเปรียบขอประทานโทษเหมือนกับไอ้พวกสุนัขขี้เรือนนี่เหมือนกับสุนัขขี้เรือน ในสุนัขขี้เรือเนี่ยสังเกตดูมันอยู่ไม่มีความสุขเดี๋ยวก็วิ่งไปตรงโน้นทีวิ่งไปตรงนี้ทีนะมันคันไปหมดนะมันแสบมันร้อนไปหมดนะผลที่สุดก็กัดตัวเองนะกัดตัวเองเนี่ยไม่หาที่อยู่ไม่ได้ไม่มีความสุขอยู่บ้านก็ไม่มีความสุขอยู่ตึกหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นห้าชั้นเก้าชั้นก็ไม่มีความสุขอยู่ในห้องแอร์ก็ไม่มีความสุขเพราะคนประเภทนี้ใจไม่มีความสุข ใจไม่มีความสุขและสถานที่ทุกๆที่จะหาความสุขสำหรับเขาไม่ได้เลยฉะนั้นอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราทุกคนควรจะพินิษพิจารณาตัวเองว่ามันได้ประโยชน์อะไรกับการที่ไปคิดเบียดเบียนผู้อื่นกับการที่ไปใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่นกับการที่ไปคิดประหัตประหารผู้อื่น อย่านึกว่าเขาทำกับเราแล้วเราจะต้องทำแก้แค้นอันนี้ไม่ใช่เป็นทางแก้แค้นที่ดีการแก้แค้นนั้นก็คือการให้อภัยการเมตตากับเขาอย่างนี้ถือว่าเป็นการแก้แค้นที่ดีนะแต่ว่าการแก้แค้นด้วยการคิดทำลายผู้อื่นอย่างนี้มันไม่มีทางสงบได้นะไม่มีทางสงบได้พระพุทธองค์ได้ตัดไว้เลยว่า เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรแต่ว่าเวรย่อมระงับด้วยการอ้าวขอประทานเวรย่อมระงับด้วยการเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่ว่าเวรย่อมสงบระงับด้วยการไม่จองเวรแต่ว่าเราทุกวันนี้ไม่ยอมกันไปคิดว่าเวรย่อมระงับด้วยการจองเวรว่าแค้นนี้ต้องชำระว่ากันงั้นเถอะนะ ว่าแค้นนี้ต้องชำระเขาทำเราได้เราก็ทำได้นี่ประเภทอวดดีถือดีสำคัญว่าเราก็แน่เราก็ดีกว่าเขาเราเลิศกว่าเขาเราเก่งกว่าเขาเรารู้มากกว่าเขาเราเป็นใหญ่กว่าเขาเราร่ำเรารวยเราเป็นผู้ดีจะมาแพ้คนอย่างนี้ไม่ได้จะมาให้คนที่ต่ำกว่าเรามาว่าเรามาติจินินทาไม่ได้นี่นี่เพราะคนไม่เข้าใจธรรมะ ไม่เข้าใจธรรมะคนคนดีหรือว่าคนมีคุณธรรมนั้นเขาไม่ได้คิดแก้แค้นอย่างนั้ น, นเขาไม่ได้คิดแก้แค้นอย่างนั้นเขาคิดว่าใครด่าก็ไม่ด่าตอบใครลักของเราเราก็ไม่ลักตอบใครตีเราเราก็ไม่ตีตอบนี่ใครประหัดประหารเราเราก็ไม่ประหัดประหารตอบเพราะการที่เราทําอะไรตอบซึ่งกันและกันเวรย่อมไม่สิ้นสุด มันก็เท่ากับว่าเราจะต้องผูกเวรกันไปเหมือนกับกากับนกเข้าเหมือนกับองูกับพังพรเหมือนกับอเหมือนกากับนกเข้าแล้วก็เหมือนกับงูกับพังพรเหมือนกับหมีกับไม้กระครห์จะต้องผูกเวรกันไปทุกชาติทุกชาติอันนี้ไม่มีที่สิ้นสุดนะไม่มีที่สิ้นสุดฉะนั้น ขอให้เราทุกคนจงมาพินิษฐ์พิจารณาให้ดีนะว่าอย่าคิดอย่าตรึกนึกคิดในการเบียดเบียนกันเลยนะทีนี้ถ้าจะตั้งปัญหาถามว่าอากุศลวิตกมีมูลต่างกันอย่างไรเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะปราบด้วยอาการอย่างไรและอาการอย่างนั้นท่านเรียกว่าอะไรนี่อันนี้เราก็ตอบได้เลยว่ากามวิตกมีราคะ กับโลภเป็นมูลนะว่าคนที่ตกในทางการมีราคะคือความกำหนัดนึกคิดถึงคนรัก เ, เห็นคนสวยก็คิดแต่ในเรื่องกรารนะอยากได้นะมาเป็นคนรักของเรามาเป็นภรรยาของเรามาเป็นสามีของเราเนี่ยเราอยากอยู่ตลอดเวลามันเหมือนกับมีเป็นไฟสุมขอมันไม่เราทาให้เรานี่ยไม่เกรียม นะไม่เปลียนเพราะไอ้ความตึกนึกคิดมันเหมือนกับว่าเป็นไฟลนเขาเรียกว่าราคคิไฟคือราคมันเผาลนจิตใจของเราให้ไม่เปลียนหน้าดำคร้ำเพลียไม่เป็นอันกินอันนอนไม่เป็นอันทํากิจการงานน้อยใหญ่นะเพราะเอาใจมาใฝ่ฝันตึกนึกคิดอยู่กับเรื่องการส่วนคนที่อยากได้นะคนที่อยากได้ก็มีโลภเป็นมูล เป็นคนโลภที่เขาเรียกว่าเป็นคนโลภเป็นคนเห็นแก่ตัวนะไม่ยอมเสียสละคิดเอาเปรียบผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาคนประเภทนี้ก็แสดงอาการทุรนทุรายรุกลีกร้รุกลนกระเสือกกระสนะแสวงหาอันเป็นสิ่งที่ทําให้วิกฤตวิกาลนําความเสื่อมเสียมาสู่ตนเองครอบครัวและวงตระกูลอนะส่วนพยาบาทวิตตกนั้นก็มีโทสะเป็นมูล คือหมายความว่าคนเมื่อมีโทสะความคิดตัดทุษร้ายนะก็คอยที่จะคิดทำลายผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาคิดจะว่าเขาคิดจะด่าเขาคิดนินทาเขาคิดอิจฉาริียเขาใส่ร้ายป้ายสีเขาหรือแม้ที่สุดก็อาจจะหาโอกาสเขียนเป็นบัตรสนเทหนังสือสนเทอะไรต่างๆอย่างนี้นี่แหละเขาเรียกว่าพวกคนมีโทสะจริต มีโทสะเจริจหรือคนมีพยาบาทวิตกคิดอาฆาตมาตร้ายคิดแก้แค้นคิดทำลายผู้อื่นไม่อยากให้ผู้อื่นได้ดีไปกว่าตัวเองอคนไอ้ไอ้โทสะนี่มันมีมันมีมันมียอดหวานแต่ว่ามันมีรากเป็นพิษคือไปคิดว่าถ้าตัวเองได้ทำตอบเจได้แก้แค้นได้มันสบายใจ แต่เมื่อทำไปแล้วจริงๆแล้วมันไม่ได้สบายใจรากมันเป็นพิษก็คือใจของเรานั้นเกิดทุกข์กวนกระวายกลัวเขาจะรู้กลัวเขาจะทราบเดือดเนื้อร้อนใจไม่ต้องมีใครรู้ใครเห็นตัวเองก็แสดงอาการออกเองเดือดร้อนเองบางครั้งก็พูดเลอะแผลให้เขารู้เองกรัวเจ้าหน้าที่จะรู้บ้างกลัวเพื่อนฝูงจะรู้บ้างนี่แหละเรียกว่า คนมีความผิดแล้วมันก็แสดงอาการฟ้องไปในทางที่ชั่วต่างๆนา น, นานะไม่ดีนี่สำหรับคนที่มีพยาบาทวิตกก็มีโทสะเป็นมูลเมื่อกามวิตกเกิดขึ้นน ะ, ะส่วนคนส่วนคนที่มีวิหิงสาวิตกก็มีโมหะเป็นมูลนะคือความความหลงไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วนะไม่รู้ดีไม่รู้ชั่ว คิดแต่จะทำในการเบียดเบียนผู้อื่นปราศจากความเมตตากรุณาไม่คิดที่จะปรารถนาดีต่อกันไม่นึกสงสารว่าตัวเองต้องทำให้เขาต้องเดือดร้อนให้เขาต้องทุกข์ทรมาพหูากหนวกตาบอดแข้งขาหักปีกหักหรือทำให้เขาต้องเสียชีวิตหรือคิดจะทุกข์ภากพ่อภากแม่ภากเมียภากผัวภาคลูกเขา อันนี้แหละเขาเรียกว่ามีโมหะเป็นมูลโง่เง่ า, งาไม่รู้ดีรู้ชั่วไม่เลียล้ยแยเห็นทุกทุกโทษของผู้อื่นเห็นแก้มุ่งแต่ว่าตนได้ทำลายอย่างเดียวคนประเภทนี้เกิดชาติใดแสนใดก็มีแต่ความหายานะลูกเดียวนะลูกเดียวฉะนั้นเมื่อการมราวิตกเกิดขึ้นเราต้องปราบนะต้องปราบด้วยอาการคือ ความติที่เป็นไปทำใจไม่ให้ลุกอานาจของกิเลสกรรมคือไม่ให้เกิดราคะโทสะโมหะไม่ให้เกิดอรติความไม่ยินดีไม่ให้เกิดอิสาความริษยาเหล่านี้เป็นต้นและก็ไม่ติดอยู่ในวัตถุกรรมก็คือไม่ติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในการสัมผัสซึ่งท่านเรียกว่าเนคข ม, มวิตกเมื่อพยาบาทวิตกเกิดขึ้นก็ต้องปราบ ด, ด้วยอาการอย่างนี้คือ ความตรึกนึกคิดด้วยอํานาจเมตตาในผู้อื่นความปรารถนาดีออความปรารถนาดีต่อผู้อื่นคือหมายถึงว่าคิดว่าเราทุกคนนั้นเป็นเพื่อนร่วมโลกด้วยกันเราเกิดมามีชีวิตก็รักสุขเกลียดทุกข์ด้วยกันดังนั้นเรามารักกันไว้ดีกว่าชังมารักกันไว้สามัคคีกันไว้ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างนี้เป็นประโยชน์แล้วก็คิดสงสารในเมื่อผู้อื่นได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนได้รับความลําบากอันนี้แหละเป็นประโยชน์อแก่ตัวเรามากนะเป็นประโยชน์มากแล้วก็อส่วนอส่วนที่อส่วนเกี่ยวกับเรื่องวิหิงสาวิตกนะวิหิงสาวิตกนั้นก็คือว่า เกิดขึ้นเราต้องปราบด้วยอาการคือเติกในการกรุณาซึ่งท่านเรียกว่าอวิหิงสาวิตกก็คือคิดสงสารอีกเหมือนกันอย่าไปคิดเบียดเบียนเขาคิดว่าเราทําลายเขาก็คือทําลายตัวเราเราทําลายครอบครัวเขาก็เราทําลายครอบครัวเราเราไปเผาบ้านเขาเราก็เผาบ้านเราเราไปลักของเขาเราก็ลักของเราเราไปฉกจริงวิ่งราวของเขาเราก็คือฉกจริงวิ่งวิ่งราวของเราถ้าเขาทํากับเรามั่ง เราจะทุกไหมเราเดือดร้อนไหมนี่เราก็คิดอย่างนี้ถ้าเราคิดอย่างนี้ได้เราก็สบายใจนะเราก็สบายใจฉะนั้นนี่ก็ได้แสดงถึงวิธีเกิดขึ้นของอากุศลวิตกและวิธีแก้ทีนี้ถ้าจะถามว่าการแสวงหาในทางทุจริตก็ดีการกัดลาชนไก่ก็ดีจะจัดเป็นวิตกอะไรได้หรือไม่เพราะเหตุไรอันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังจาไว้ให้ดีว่า ข้อนี้จัดเป็นวิตกอะไรไม่ได้เลยนะเพราะว่าวิตกท่านหมายเอาความตริตรองนึกคิดไปในทางนั้นๆแต่ยังไม่ได้ลงมือกระทาส่วนการแสวงหาส่วนการแสวงหาลาภในทางทุจริตและการกัดปลาชนไก่นี้เป็นความกระทาลงไปทีเดียวไม่ใช่เป็นความคิดอยู่ในใจเหตุนั้นจึงจัดเป็นวิตกอะไรไม่ได้ การกระทาอย่างนี้เป็นทุจริตและเป็นการเบียดเบียนทีเดียวนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คิดว่าท่านทั้งหลายพอเข้าใจเมื่อเราพูดถึงกุศลละวิตกคือความตระหนักคิดไปทางไม่ดีไม่งามนในทางที่ไม่ถูกไม่ควรก็ควรจะพูดถึงสิ่งที่คู่กันสิ่งนั้นก็คือกุศลละวิตกสามกุศลวิตกสาม ก็ได้แก่หนึ่งเนคขมวิตกความตริในทางพระจากกามสองอพยาอพยาบาทวิตตกความตริในทางไม่พยาบาทสาอวิหิงสาวิตตกความตริในทางไม่เบียดเบียนคำว่ากุศลวิตกก็แปลง่ายๆก็คือว่าความตริเป็นไปในฝ่ายกุศลคือตรตรองนึกคิดไม่ประกอบด้วยราคะโทสะโมหะ คำว่ากุศลตัวนี้แปลว่าดีแปลว่าฉลาดนะแปลว่าฉลาดวิตกแปลว่าตรึกตรึกไปในทางที่ดีที่งามนะเป็นความตรึกนึกคิดของของคนฉลาดพูดอย่างนั้นฮะของคนฉลาดฉะนั้นจึงแบ่งออกเป็นสามอย่างคือหนึ่งเน่คัมมาวิตกได้แก่การตรึกของบุคคลผู้มุ่งต่อความสงบหมายว่าตรึกไปในทางธรรมใจไม่ให้ลุกอำนาจแห่งกิเลสกาม และไม่ติดอยู่ในวัตถุ ก, กรรมหมายถึงการออกบวชเพราะความมุ่งหมายของผู้ออกบวชก็เพื่อต้องการกายวิเวกและเป็นทางบําเพ็ญเพื่อให้ถึงจิตวิเวกเมื่อถึงจิตวิเวกแล้วก็เป็นปัจจัยส่งให้ถึงอุปธิวิเวกก็คือความสงบสงัดจากกิเลสตัณหาโดยลําดับแน่คำมวิตกนี้มีความไม่โลภเป็นที่ตั้งเป็นแดนเกิดนะ เป็นที่ตั้งเป็นแดนเกิดก็ขอให้นักเรียนนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลายได้เข้าใจกว้างออกไปอีกนิดหน่อยว่าคำว่าเนคขมมะนี่หมายถึงว่าการออกบวชการออกบวชเนี่ยพูดง่ายๆมันมีสองอย่างหนึ่งออกด้วยกายแล้วก็สองออกด้วยใจสามออกทางกายและออกทางใจด้วยนะออกด้วยกายก็คือว่า อร่างกายนี่อาจจะอะออกบวชนะ่ะโกนเหมือนอย่างพระสงฆ์องเนเรนะโกนออกไปอย่างนี้เรียกว่าออกบวชแต่ว่าใจก็ยังตึกนึกคิดอยู่อใจใจส่วนใจไม่ได้ออกนะอย่างนี้ก็ออกกายแต่ใจไม่ได้ออกแต่บางอย่างก็ออกด้วยใจแต่กายไม่ออกหมายถึงว่าคารวาสบางคนเนี่ยใจก็ประกอบด้วยบุญทานการกุศลก็พยายามทํา ตัวเองนั้นให้สงบด้วยการทำกายวิเวกกายวิเวกก็คือสงัดกายแล้วก็ทำจิตให้วิเวกก็คือสงบสงัในจิตแล้วก็ทำอุปัติวิเวกก็คือสงบสงั่จากกิเลสเครื่องร้อยรัดต่างๆให้เบาบางลงไปด้วยการบาเพ็ญสมาธิจเจริญสมถะวิปัสสนาอย่างนี้เรียกว่าออกด้วยใจ ถ, <c oughs> ถึงแม้ว่า <c oughs> ถึงแม้ว่าร่างกาย <c oughs> ร่างกายของเรานั้นจะอยู่ในเพศของคาวาสแต่ว่าจิตใจนั้นได้ออกไปนะแต่บางคนก็ออกทางกายและใจก็อย่างเช่นนักบวชนะโกนผมโกนคิว้วโกนหนวดแล้วก็ห่มผ้าเหลืองอะไรจะทำนองนี้หรือพวกอุบาสิกาต่างๆพวกแมทชีอย่างนี้ก็ในชื่อว่าออกทางกายและออกทางใจนะออกทางกายออกทางใจ ทีนี้มาในข้อที่สองอพยาบาทวิตตกได้แก่ความตริกของผู้ประกอบด้วยเมตตาแพ่ไมตรีจิตนึกคิดจะให้สัตว์ทั้งปวงได้สุขทั่วหน้าโดยมุ่งความดีความงามแก่เขาแต่กิริยาที่เป็นไปนั้นเว้นจากราคะความกำหนัดดุจ บ, บิดามารดาปรารถนาความดีความงามแก่บุตรฉะนั้น อพยาบาทวิตกนี้มีอัโทสะเป็นที่ตั้งเป็นแดนเกิดหมายความว่าคนที่ปรึกในการไม่พยาบาทนี้ก็คือคนที่ไม่มีโทสะปรารถนาดีต่อกันมีไมตรีจิตดีต่อกันปรารถนาให้ทุกคนมีความสุขทั่วหน้ากันแผ่เมตตาให้กับผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาเพราะถือว่าทุกคนนั้นเป็นเพื่อนร่วมชาติร่วมศาสนาร่วมโลกด้วยกัน ไม่ควรที่จะต้องไปคิดอาฆาตมาดายกันอย่างนี้แหละเรียกว่าอพยามบาทวิตกข้อที่สามอาวิหิงสาวิตกได้แก่ความตรึกของผู้มุ่งความพ้นทุกข์ให้แก่คนอื่นจะทําอะไรอะไรเนื่องด้วยผู้อื่นเป็นต้นว่าจะใช้คนอื่นอาจจะใช้คนหรือสัตว์มีความมีความ ปราถนาดีคิดสงสารนึกถึงความลำบากของเขาไม่ใช้ตรากตรำไม่ให้ทำความลำบากแก่เขาหรือว่าแก่สัตว์โดยไม่จำเป็นรวมความว่ารู้จักถนอมน้ำใจของผู้อื่นอ ว, อ, วอวิหิงสาวิจกนี้มีมีอมโมหะคือความไม่โง่ไม่หลงไหลเป็นที่ตั้งเป็นแดนเกิดคือพูดง่ายๆก็คือว่า คนที่มีอวิหิงสาวิตกได้แก่ความที่คิดแต่ในการไม่เบียดเบียนคิดแต่ในทางที่ดีที่งามแม้แต่จะใช้งวงควายช้างม้า ก, ก็คิดถึงความทุกข์ความเดือดร้อนอว่าเราจะใช้ตราบจำ ม, มากไปไหมใช้งานมากไปหรือเปล่าแดดร้อนไหมก็หยุดให้มันบ้างให้มันได้มีโอกาสได้พักผ่อนบ้างได้กินหญ้ากินฟางกินอาหารบ้าง มีคนใช้ก็เหมือนกันต้องรู้จักใช้ว่ากำลังของคนใช้มีแค่ไหนเราต้องใช้ให้เหมาะกับกำลังกายกำลังปัญญาของเขานะไม่ใช่ว่าถือว่าเป็นคนใช้ก็ใช้ตะบี้ตะบันนะอย่างนี้ถือว่าไม่มีอวิหิงสาวิตกมีแต่ว่าคิดเอาเปลียบอย่างนี้ก็เกิดทุกข์เกิดโทษนะไม่ตีไม่ถูกไม่ต้องฉะนั้นถ้าจะตั้งปัญหาถามว่าคาว่าวิตกนั้นสาเร็จได้ในทวารไหน เมตตาปราณีเพ่งอัดต่างกันอย่างไรไหนจัดเป็นมูลของอะไรอันนี้เราก็แก้ได้เลยว่าสําเร็จได้ในมโนทวารเพราะว่าเพียงแต่น้อมนึกเท่านั้นก็เป็นการก็เป็นอาการของใจซึ่งรวมเรียกว่าเจตสิกธรรมเพ่งอัทธรสต่างกันเมตตาหมายเอาความสนิทสนมหรือความปรารถนาอยากให้คนอื่นเป็นสุข ปรานีประนอมกันเกิดความสงสารหมายเอาการที่หวังอยากให้สัตว์พ้นจากความทุกข์เข้าลักษณะแห่งกรุณาอย่างใช้สัตว์หรือคนไม่ให้เกินพอดีมีความประนีให้เขานะให้พอเหมาะพอควรเมตตาจัดเป็นมูลของอพยาบาทวิตกปรานีก็จัดเป็นมูลของอวิหิงสาวิตตก ทีนี้ถะถามว่ากุศลวิตกจัดเข้าในองค์มรรคแปดองค์ใดได้หรือไม่และจัดเข้าในศิกขาอะไรในศิกขาสามได้หรือไม่ก็ตอบได้เลยว่ากุศลวิตกจัดเข้าในสัมมาสังกัปปะคือความดาริชอบและจัดเข้าในปัญญาศิกขาได้นะนี่ก็พูดเกี่ยวกับเรื่องอากุศลลวิตกสามและกุศลลวิตตกสามซึ่งเป็นทางแก้ของกันและกันก็พอสมควรกับเวลา ในที่สุดนี้ขอให้นักเรียนนักศึกษาและท่านสาธุชนผู้ฟังทั้งหลายจงประสบสุขสวัสดีเกี่ยวกับเรื่องการฟังนี้ฉะนั้นในที่สุดนี้ขอให้ผู้ฟังจงประสบในสิ่งที่ตึปรารถนาโดยทั่วกันขอเจริญพรวันนี้จะได้พูดในหมวดที่สามหัวข้อว่าอักิ คือไฟสามกองคือหนึ่งราคัคคิไฟคือราคะ 2. สองโทสัคคิไฟคือโทสัคสามโมหัคคิไฟคือโมหะทั้งสามอย่างนี้เรียกว่าอัคคิคือไฟสามการแรกขอยท่านทำความเข้าใจคำว่าอัคคิแปล ว, ว่าไฟ คำว่าอักคิเนี่ยแปล ว, ว่าไฟในที่นี้ท่านหมายถึงกิเลสซึ่งทำให้จิตใจเร่าร้อนดุไฟดุไฟมีอยู่สามคือหนึ่งราคักคิไฟคือราคะได้แก่ความรักใคร่ความกำหนัดในการมกุลห้า ที่เผาลนสันดานหรือว่าจิตใจของสัตว์ให้เร่าร้อนกระวนกระวายมักเพลิดเพลินแล้วก็อาละเหลืงหลงจนเกินพอดีในอารมณ์นั้นๆกำหนัดรักใครในอารมณ์ที่ยังไม่มาถึงก็ดีที่มีอยู่แล้วก็ดีหรือที่ล่วงไปแล้วก็ดี ความกำหนัดรักใคร่ยินดีเช่นนั้นได้ชื่อว่าเผาหลนสันดานให้เร่าร้อนเผาหลนจิตใจให้เร่าร้อนร้อนยิ่งกว่าไฟธรรมดาอันไฟธรรมดาย่อมทำให้ร้อนแต่ในขณะที่เราไปถูกเข้าหรือถูกไฟไหม้เข้าเท่านั้นส่วนไฟคือราคะร้อนอยู่ตลอดเวลา ร้อนอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าร้อนทั้งกลางวันกลางคืนร้อนทุกๆุกนาทีร้อนอันไปอันเกิดจากราคะนี้อยู่ในห้องแอร์ก็ร้อนแช่อยู่ในน้ำก็ร้อนไม่เลวกว่าจะอยู่ที่ไหนร้อนทั้งนั้นร้อนอยู่ตลอดเวลาใอ้ร้อนร้อนไปภายนอกเราออกห่างมันก็หายร้อน ร้อนแสงแดดอยู่ในภายใต้ร่มไม้ชาคาก็หายร้อนนะเรียกว่าไอร้อนไฟภายนอกนั้นเราแก้ได้นะเราหลบได้ออกห่างก็หายแต่ว่าร้อนไฟภายในนั้นเราจะไปอยู่ที่ไหนมันก็ไม่หายร้อนนะเราจะต้องแก้แก้เหตุที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นที่ใจเราก็ต้องแก้ที่ใจและการแก้ที่ใจนั้นเราต้องแก้ด้วยธรรมะ นะต้องแก้ด้วยธรรมะเอาอยัางอื่นไปแก้ไม่หายนะฉะฉนั้นยังราคะที่ว่าความกำหนัดนะราคะคนะิไฟคือราคะคือความกำหนัดกำหนัดในกามคุณห้ากรามคุณห้าก็ได้แก่รูปนะเสียงกลิ่นรสสัมผัสเมื่อพูดถึงกรามคุณห้าก็รู้สึกว่ า, าธรรมะ ที่เราได้ศึกษาเล่าเรียนในขั้นอสาธุชนหรือสามัญชนทั่วไปนั้นรู้สึกจะเกี่ยวกับเรื่องกิเลสกามวัตถุกรรมเกี่ยวกับเรื่องกรรมาคุณห้ามากถือว่าอันนี้เป็นสิ่งสําคัญมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะกรรมคุณห้ามันไม่ได้เป็นไปอย่างที่เรานึกคิดไอเรานึกคิดที่จะออกจากกรรมคุณห้ามันง่ายแต่โดยข้อปฏิบัตินั้นยากเหลือเกินนะยากมากนะ แค่รูปแค่นี้เราก็ติดกันแทบตายทุกวันนี้เราติดรูปกันมากข้อแรกนี่เราติดกันแล้วเราหลงรูปกั น, นเราครบกันเราก็รู้สึกว่าเราครบกันที่รูปร่างกันถ้าเป็นส่วนใหญ่รูปรอไหมรูปสวยไหมรูปงามไหมถ้าไม่ลอไม่สวยไม่งามเราไม่ชอบกันแล้วเราก็ไปติชินนินทากันคนนั้นรูปอย่างนี้คนนี้รูปอย่างนั้น นี่พราะเราติดรูปก็คือเราติดตัวอัตตาติดตัวสมมุตินะเราติดตัวสมมุติแค่นี้มันก็ยากแล้วนะมันก็ยากแล้วแล้วยิ่งไปกว่านั้นถ้าเกิดว่าใครมาด่ามาว่าเราเราก็ไม่พอใจเพราะเราติดว่าตัวของเรามีนี่ตัวของเรามีเราก็โกรธเห็นไหมเราก็โกรธก็เป็นบอกเกิดแห่งการทะเละาะเบาะแหวง ชกตีต่อยการประหัตประหารการทำลายกันนี่เพราะเราติดรูปฉะนั้นจึงบอกว่าเรื่องรูปนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายทั้งทั้งที่เราได้เรียนได้รู้ได้ศึกษาว่ารูปปังอนิจจารูปไม่เทีย่ยรูปเป็นทุกข์รูปไม่มีตัวไม่มีตนนี่เราก็รู้ ทั้งๆ ท, ที่เรารู้อย่างนี้แต่โดยปฏิบัติแล้วมันยากเราก็รู้ว่ามันเป็นอดิจังเราก็รู้มันเป็นทุกขงังเราก็รู้มันเป็นอนัตตาแต่เราก็ยังหลงยังติดยังยึดกันอยู่นะยังหลงยังติดยังยึดกันฉะนั้นจึงบอกว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายถ้าหากว่าการพ้นจากการรมมาคุณห้าไงง่ายแน่นอนที่สุดโลกนี้จะสวยงามมาโลกนี้จะเป็นโลกของพระอริยเจ้า โลกนี้จะเป็นสวนแห่งดอกไม้เรื่อนรมน่าสดชื่นเรื่อนรมเป็นรมณียสถานเบิกบานสำราญใจนะจะมองไปทางไหนก็มีแต่เมตตาอบเอื้ออารีปรารถนาดีต่อกันอยู่ตลอดเวลาแต่เพราะเรามากำหนัด ก, กันในกามกุณห้าคือรูปเสียงสิ่นรสนี่แหละทุกข์ทษ่จนเกิดมาเราจึงแย่งรูปกันนะทำลายรูปกัน มาเน้นทาว่าร้ายกล่าวร้ายรูป ก, กันเห็นไหมนี่มันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นจึงบอกว่ายากไม่ใช่ง่ายในเสียงก็เหมือนกันเรามาติดเสียงกำหนัดในเสียงฟังเสียงแค่นั้นแล้วเกิดความกำหนัดแล้วนี่มันก็นึกเนิรูแล้วมันก็แปลกแค่ได้ยินเสียงนะนะเรากำหนัดแล้วฉะนั้นระหว่างเสียงผู้หญิงผู้ชายต่างก็กำหนัดเสียงของกันและกัน พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าอทธิสัทโทวิยะไม่มีเสียงอื่นใดที่จะครอบงําจิตใจอบุรุษได้ดียิ่งไปกว่าเสียงของสตรีิเสียงของสติในครอบงําจิตใจของบุรุษมากถ้าเราได้ยินเสียงผู้ชายก็ธรรมดาเสียงคนอื่นก็ธรรมดาแต่พอได้ยินเสียงผู้หญิงแล้วรู้สึกว่าสนใจ อยากจะดูว่าเจ้าของเสียงเป็นยังไงสวยไหมรูปร่างเป็นยังไงรวยไหมแต่งตัวเป็นยังไงนิ้ยิ้มเป็นยังไงตาเป็นยังไงหูเป็นยังไงจมูกเป็นยังไงนี่เราอยากดูชวนดู น, นี่เราติดกันฉะนั้นจึงบอกว่าบางครั้งเราเกร็ติดเสียงนักร้องหลงไหลไปฝันติดเสียงนักร้องในฟังเพลงพอนักร้องไปร้องที่ไหนก็ปรบมือกันเกลียวการาวร้องกันกรี๊ดรัด นั่งอยู่เฉยๆนั่งมาอยู่สุกลุกขึ้นเต้นกันโอ้โหรู้สึกว่าขอประทานโทษนะคล้ายๆเหมือนกับเป็นโรคสันนิบาตนะเป็นโรคสันนิบาตนั่งอยู่เฉยๆไม่ได้ได้ยินเสียงบางคนกระโดดขึ้นไปโลดเต้นกับนักร้องด้วยนี่บางคนเ้าอี้พังระเนรนาดหมดบางคนนั่งหุงข้าวหุงปลาพอได้ยินเสงเตงก็เต้นไปด้วยไอ้มือก็คนหม้อไปด้วย บางคนกําลังกวาดบ้านก็ถือไม้กวาดก็เต้นไปด้วยหยิบไม้กวาดขึ้นมาทําเป็นกีตาร์ก็ดีไปก็มีนี่มันขนาดนะเพราะมันติดในเสียงนะมันติดในเสียงอันนี้ก็มียเยอะแยะในเรื่องกลิ่นก็เหมือนกันนะกลิ่นก็เหมือนกันพวกเรานี่ติดกลิ่นกันมากกลิ่งหอมๆชอบเลิศขึ้นทำอะไรก็พยายามไปแสวงหาเอาไอ้ของหอมมาชุม่มมาย้อมนะจริงๆแล้วสิ่งนี้ถ้ามัน มากๆนะเขามันก็เกิดปฏิกิริยากับตัวของเราได้นะหรือวัตถุที่เราเอามาใช้ได้นะฉะนั้นเราจึงตกเป็นทาสเป็นที้ข่าของนายทุนเขาจึงพยายามผลิตน้ำหอมหรือของอะไรเข้ามาลอกขายให้กับเราฉะนั้นในคนที่คนที่มาอวดตัวเองด้วยการเอาเครื่องหอมหรือว่าเครื่องฉาบทาต่างๆ เพื่อจะดักจิตใจของผู้หญิงผู้ชายให้ติดนั่นนั่นแหละคือคนมีปมด้อยแสดงว่าโดยธรรมชาติแล้วไม่สามารถที่จะดึงจิตใจให้คนอื่นมาติดได้จึงต้องเอาเครื่องเหล่านี้เข้าช่วยนะเอาเข้ามาช่วยเพื่อจะดึงให้คนอื่นเข้ามาหลงและสิ่งนั้นน่ะมันเป็นสิ่งนอกกายเราต้องเอามาใช้เป็นช่วงตู้โชยจามใช้แล้วก็ต้องเอามาล้างนะเอามาล้าง ล้างแล้วก็ทาทาแล้วก็ล้างกันอยู่ไม่ได้หยุดได้หย่อนนะ mm. บางคนจะแต่งตัวนี่โอ้โหจะประคุณนะ mm. เป็นชั่วโมงชั่วโมงนะ mm. นี่เพราะอะไร mm. ก็เพราะไอามาติดกลิ่นติดรูปกันนี่เองนะติดเลิ่นติดรูป mm. นะ mm. ยังเมื่อสองสมวันนี้ขอประธานตัว mm. ได้ไปสวดมนในงานแต่งงานสมรสหมู่ที่โรงพยาบาลส่งเขามายุแปดคู่ ปรากฏคู่แรกพอเรียกมานั่งโตะ๊ะเจ้าสาวยังไม่มาคู่ที่สองก็มาครบที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดก็มาครบคู่แรกไม่มีเจ้าสาวเอเจะเบ่าชักนั่งหลอกแหลกหลอกแหลกหลอกแหลกเสรแล้วเห็นท่ามาได้ดีก้องต้องลุกหนีออกไปเพราะว่ารู้สึกคู่อื่นๆชักวองหน้าเย็นยิ้มจนพิธีใกล้จะเสร็จเจ้าสาวเพิ่งมาแม่พอเจ้าสาวมาก็ยิ้มหน้าบานมาเลยนะยิ้มมาเลย แต่เจ้าบ่าวไม่เล่นงานด้วยเฉยไม่พูดไม่อะไรทั้งนั้นเจาสาวก็เยิ้มไปเถอะพูดไปเถอะเจ้าบ่าวก็ไม่ไม่เอาด้วยเพราะว่ามันขายที่หน้าเขาพอเจ้าสาวเดี๋ยวไปดูหน้าเจ้าบ่าวอ้าวแล้วกันดูหน้าตมมันจะแล้วนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยเหตุการณ์ก็เลยตึงเครียดไปหมดเลยนะตึงเครียดไปหมดผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชายก็หน้าบึง้งกันไปหมดเลยสรุปแล้วคือมัวแต่งตัวซะนะ ไอ้ขนาดเดินเจ้าเข้าไปนั่งในพิธีก็ยังมีเพื่อนเจ้าสาวคอยเป็ดลูกกระดมไปด้วยคอยแต่งหน้าแต่งตาไปด้วยนี่มันขนาดหนักนะขนาดหนักนะนี่มันเรื่องอะไรแล้วซ้ําร้ายทราบจากเจ้าหน้าที่ว่าพอแต่งงานเสร็จไปเรียบร้อยไปได้สักชั่วโมงหนึ่งมีแฟนมาหาแล้วมาตามแล้วบอกว่าอคู่รักของผมได้หนีมาแต่งงานที่นี่อ้าวเรื่องก็เลยยุ่งกันเนื้อใหญ่ นะดีแต่ว่าไม่ตามมาทันตอนพิธีสมทําไมก็พระ ก, ก็จะต้องชยันโตกันยุ่งดีไม่ดีก็ตัวใครตัวมันวิ่งกันยุ่งไปหมดอีกนะนี่เห็นไหมนี่ก็เพราะไอ้เรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นนั่นเองนะ่ะเรื่องเปล่นนั่นเองฉะนั้นอันนี้แหละก็ให้พวกเราลองฟังแล้วก็พิจานรณาดูว่าเป็นจริงอย่างที่พูดไหมนะ่ะเพาเราเนี่ยมันติดกันในรูปในเสียงในกลิ่นนะ่ะติดรถนะ่ะติดรถ รับอาหารเนี่ยแหมมันอร่อยเหลือเกินอ่าดังนั้นพวกเราก็สรรหากันสิเนีแหมต้องปรุงไอ้อย่างนั้นปรุงอย่างนี้เนี่ยต้องอาหารที่โน่นต้องอาหารที่นี่โอ้โหชื่ออาหารนี่ตั้งชื่อกันบางคนก็ตั้งชื่อกันบอกว่าเสือร้องไห้โอ้โหชื่อไม่น่ากินเลยนะบอกเสือร้องไห้หรือบางคนก็ตั้งชื่ออะไรบอกว่าสาวแมวบ้างน้ำพริกลงเรือบ้าง อะไรก็ไม่รู้ว่าตั้งชื่อกับไปสารเพสสารพัดหลอกลวงขายกันอุตลดุดนะนี่ีนพวกเราก็ติดรถอาหารกันในพวกพ่อค้าในทุนต่างๆก็ผลิตไอ้เครื่องพวกเอาผงชูรสต่างๆเอามาประกวดประขันกันเอามาโฆษณากันว่าอาหารอย่างนั้นใส่อย่างนี้ยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้เราจะทาให้อาหารอร่อยแล้วก็พวกกลุ่มต่อต้านบริษทเกี่ยวกับเรื่องการบริโภคก็ต่อต้านว่า ในผงที่ใส่ไปนั้นกินไปแล้วทําให้เป็นโรคมะเร็งบ้างกินไปแล้วทําให้เป็นหมันบ้างกินไปแล้วก็จะทําให้เป็นโรคอย่างโน้นโรคอย่างนี้โอ้ยให้ยุ่งกันไปหมดเลยนี่มันเรื่องอะไรนี่มันก็เรื่องของคนติดรถนั่นเองในโดยธรรมชาติมันก็มีคุณค่าอยู่แล้วนะอาหารเนี่ยมันมีคุณค่าอยู่ในตัวของมันแต่ว่าจะมีค่าน้อยค่ามากมันก็อยู่ในตัวของมันนะไอสิ่งที่อร่อยบางอย่างอาจจะไม่มีคุณค่าก็าได้เพียงแต่อร่อยเล่นแค่นั้นเองนะอ่านะ ไอ้สิ่งที่เราว่าไม่อร่อยมันอาจจะมีคุณค่าก็ได้นะมีคุณค่าก็ได้เนี่ยถ้าเรามามีสติพิจารณาอย่างนี้เราก็จะไม่กระเสือกกระสนเราก็จะไม่สิ้นเปลืองเกี่ยวกับเรื่องการกินการจ่ายเรื่องอาหารแต่บางครั้งเราต้องสแสวงหาเรื่องอาหารนะที่บ้านไม่กินไม่พออาต้องไปกินตำเหลาตามาตำครับอ่าแล้วไปกินดํานั้นมันกินแพงกว่าที่บ้านอีกตั้งเป็นสิบสิบเท่า เรากินกันสองคนตายยายลูกเต้าอีกสามสี่คนเนี่ยห้าสิบบาทเราก็กินพอแล้วแต่ถ้าไปกินตังเหลาตังปาคลับอบอาบมวดเนี่ยมันต้องหลายร้อยบาทเนี่ยมันเรียกว่าจ่ายมือ้อหึือาจจะกินที่บ้านได้เป็นเดือนนะนี่เราก็ต้องไปสแสวงหาบางครั้งมันไม่ใช่ใกล้ๆเราจะต้องออกไปไกลถึงโน่นต่างจังหวัดนะต่างจังหวัดบางคนก็หนักทางข้ามไปกินต่างประเทศนะนี่มันยิ่งหนักใหญ่ เสียเงินเสียทองขนาดเห็นแก่รถเห็นแก่กินเล็กๆไมน้อยไม่มีโภชเนะมัดตันอยู่ตาไม่รู้จักประมาณในการกินผลที่สุดก็คือถึงความหายนะขับรถกันไปกินโน่นชนบุรีกลับมารถแหกโค้งชนกันตายบ้างนุเนเม า, มาขับรถชนกันบ้างอะไรบ้างอันนี้มีให้เรารู้รับทราบอยู่เป็นประจำนี่เพราะอะไรก็เพราะไอ้เรื่องติดในรถนั่นนะหะติดนั่นเองฉะนั้งไอ้เลนของเราเนี่ย เขาบอกว่าเหมือนกับลิ้นของสุนัขบ้านนะกินน้ําลายตัวเองนะกินน้ําลายตัวเองเนี่ยสุนัขบ้านของเราเนี่ยสุนัขไทยๆเนี่ยมันไม่ค่อยมีเกียรติเหมือนสุนัขตารางร็อกนะกินแต่อิเศตอาหารกินกระโดกกินก้างเนี่ยเนื้อหนังมังสามไม่ได้กินก็คือกินน้ําลายตัวเองไม่มีประโยชน์ไม่มีคุณค่าอะไรเลยนะคนเราเหมือนกันกินน้ําลายตัวเอง แเราลองสังเกตดูเราเคี้ยวอาหารเคี้ยวข้าวเข้าไปในปากเคี้ยวไปสักสามสี่คำแล้วก็ลองคายออกมาจะเห็นว่าเป็นน้ําลายยืดเป็นเมื่อเป็นเลือกแล้วเราจะใส่เข้าไปอีกก็ไม่ค่อยได้ซะแล้วนไม่ได้ซะแล้วเนี่ยเรากินน้ํำลายตัวเองดังนั้นเราจะกินก็ต้องมีสตินะต้องรู้จักพอดีต้องรู้จกัอจกอาหารว่าอาหารที่เรากินนั้นมีประโยชน์อย่างไรอถูกต้องไหม มันสะอาดหรือเปล่ามันโบดมันเน่าไหมนีม่ควนพิจารณาอย่างนี้แล้วก็ในเรื่องของสัมผัสก็เหมือนกันเราติดเกี่ยวกันในเรื่องสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งุ่มอะไรอย่างนี้สัมผัสติด ก, กันมากนะติด ก, กันมากเลยอ่านะอะไรมันแข็งเราก็พยายามหาไอ้วัตถุอื่นๆมากันบางคนในที่หลับที่น้อนนี่โอ้โหแม่สันสร้างกันเหมือนว่าจะไม่ตายนะเอามาบำบวงบำเรอกัน ซึ่งสุขภัณฑ์ต่างๆที่หลับที่นอนเนิดแหมเหมือนกับเป็นที่นอนของเทวดาอะไรอย่างนั้นแหละนี่แหละจริงเหล่านี้แหละมันทาให้เราไม่เห็นอัดเห็นธทำยิ่งนอนที่ดีเท่าไรธรรมะมันก็ยิ่งไม่เกิดขึ้นถ้าเราได้ศึกษาดูพุทธประวัติว่าพระพุทธองค์ท่านประสูติที่ไหนนะเจ้าชายสิทธัตถะประสูติไหนประสูติในป่ากลางดงกลางทรายนะกลางดินกลางทรายนี่ประสูติในป่าแล้วท่านตรัสรู้ที่ไหน ก็ในป่าอีกเห้อนกันนะจะรู้ที่ป่าที่โคนต้นไม้กลางดินกลางสายและท่านนิพพานที่ไหนเพรานนิพพานก็กลางดินกลางสายกลางดงไม้อีกเหมือนกันท่านจึงจึงได้รู้สภาวธรรมจึงได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะท่านสัมผัสกับสิ่งที่เป็นธรรมเป็นธรรมชาติอย่างทองแท้ท่านเป็นเข้าใจสภาวธรรม แม้ว่าท่านจะเป็นลูกกษัตริย์อันยิ่งใหญ่แต่ท่านก็ไม่ได้เกิดบนประสาะทานาเวังบนตึกบนอะไรไอ้พวกเราซะอีกแหมไปประสบ ก, กับโน่นโรงพยาบาลเก้าชั้นสิบชั้นยี่สิบชั้นเนี่ยแต่ปรากฏโง่้งเห่าเต่าตนเลยนะไม่รู้เรื่องอะไรเลยเอเกิดมาแล้วแมมมีเบานอนอย่างดีเลยวัวนี้ตัวก็ไม่รู้เรื่องอะไรโง่โง่จนกระทั่งตายนี่มันเป็นอย่างนั้นเพราะเราไม่ได้สัมผัสกับของจริงฉะนั้นอันนี้เนี่ยจึงบอกว่า พวกเราเนี่ยมันติดนะติดกรรมคุณห้าติดรูปติดเสียงติดกลิ่นติดรสฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนี้ถ้าหากว่าเรามีสติในเมื่อตาเห็นรูปก็รูปก็สักแต่ว่ารูปไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันเป็นสิ่งสมมุติขึ้นเกิด ข, ข, ข, ขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่จีรังยั่งยืนเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็ในทำนองเดียวกั น, นะฉะนั้นเราต้องระวังตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกจมเผ็นลิ้นลิ้นรสกายตกต้องสัมผัส หรือว่าที่สุดก็คือใจนะึกคิดในอารมณ์ต่างๆนี้ต้องสำรวมระวังอันนี้ทุกโทษก็จะไม่เกิดขึ้นนะไม่เกิดขึ้นฉะนั้นไฟคือราคาเนี่ยมันร้อนยิ่งกว่าไฟธรรมดาหลายร้อยหลายพันเท่ามันเผาลน่นจิตใจของเราทำบางครั้งก็เราไม่รู้สึกตัวนะไม่รู้สึกตัวกว่าจะรู้สึกตัวว่าไฟนี่มันเผาเราก็ เรานี้เสียการงานเสียกู้เสียคนไปก็มากเป็นโรคจิตโรคประสาทกันไปก็เยอะหมดเนื้อหมดตัวไปก็เยอะฉะนั้นจะจะใช้ให้เราให้ประกอบการงานทั้งในทางน้งําทางบกที่ไหนก็แล้วแต่ทั้งไหนที่ควรและไม่ควรบ้างคราวก็ถึงกับทําร้ายเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพราะความกําหนับในรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นเป็นเหตุจึงทําให้เราต้องตกไปในที่ชั่วมีนะรกเป็นต้นและไม่เราต้องเวียนว่าอยู่ในวัฏะสงสารจนกว่าพระ อหัตมกจะมาตัดไฟกองนี้ให้ขาดฉะนั้นจึงเห็นได้ว่าไฟคือราคามันร้อนยิ่งกว่าไฟธรรมด า, ลาหลายร้อยหลายพันเท่าแต่การที่สองโทสักคิไฟคือโทสัไฟคือโทสักได้แก่ไฟคือความเดือดร้อนเดือดพล่านที่บังเกิดขึ้นในดวงจิตของเราในขณะที่ได้ประสบอารมณ์อันไม่เป็นที่ปรารถนาถูกเขาด่าว่าทุบตีอ่า เขาด่าว่าทุกตีเราหรือเขามารังเกียจญาติพี่น้องเราเขาจะามากองตีของเรากองพี่กองน้องอะไรนี่แหละบางครั้งเราเนี่ยทั้งๆที่เขาไม่ได้มาว่าเราเขาว่าพี่เราพ่อแม่เราแต่เราไปเดือดร้อนนี่ยถึงกับมีการประหัดประหารกันยกพวกตะลุมบอลกันตีกันฆ่ากันมันได้เรื่องได้เราอะไรนี่แหละก็เพราะไอ้ไฟตัวนี้แหละทําให้เราต้องคลั่งไคล้นะ คล้ายเป็นบ้าตามเขาไปด้วยนะตามเขาไปด้วยฉะนั้นจึงบอกว่าอ่าคือเรามักจะไปคิดว่าไอ้ที่เขาดา่าเขาว่าเขาเราเนี่ยมันทําให้เราต้องเสียนะทําให้เราเสียจริงๆเราไม่ได้เสียนะไอ้คนดา่าคนว่ามันเสีย่ในะถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วสบายสิ่งเหล่านี้มันเป็นโลกกระทำพระพุทธองค์ว่าเป็นโลกกระทำนะเรียกว่า มันคู่กันมีลาบก็เสื่อมลาบมียศก็เสื่อมยศนมีสุขก็ต้องมีทุกมีสันเซิญก็ต้องมีดินทานี่มันเป็นของคู่กันนะเป็นของคู่กันแต่ว่าเราไม่ค่ยได้คิดกันพอมันเกิดขึ้นในฝ่ายดีเราก็ลุ่มหลงดีอกดีใจเพราะไอ้ฝ่ายดีมันหมดไปเสื่อมไปเราได้สิ่งที่ไม่ดีเราเสื่อมลาบเสื่อมยศเกิดความทุกเกิดอการติดดินทารู้สึกไม่พอใจก็คิดหาทางทําลายหาทางแก้แค้นนี่มันเป็นอย่างนั้น นะหาทางแก้แขนหาทางทําลายอันนี้แหละถือว่าผิดลาดนะนะจึงมีการประหัตประหารกันให้ถึงแก่การทุกข์ทภาพหรือให้ถึงแก่การต้องถึงกับสิ้นชีวิตไปอ่านะฉะนั้นเราฉะนั้นไฟคือโทสะจึงเป็นไฟที่ร้ายแรงอีกกองหนึ่งเหมือนกันนะจึงทําคือเป็นการสร้างเวรต่อกันสร้างภัยต่อกันสร้างการทะเลวิวาทต่อกันฉะนั้น เราจะต้องตัดไฟคือโทรสะใครด่าเราเราไม่ดา่าตอบใครตีเราเราไม่ตีตอบใครรักของเราเราไม่รักตอบใครประหัดประหารเราด่าเราชบต่อยเราเราไม่ตอบทางนั้นอเข้ากับตำราที่บอกว่าเวรย่อมไม่ระ ง, งับด้วยการจองเวรแต่ว่าเวรย่อมระ ง, งับด้วยการไม่จองเวรดังให้สุขนะสุกชั่ว น, นิจีรันดอต่อไปข้อที่สามคือโมหักคิไฟคือโมหะอนะไฟคือโมหะ ในไฟคือโมหะเนี่ยได้แก่ความหลงไม่รู้ตามความเป็นจริงไฟกองนี้เมื่อเผาลนสันดานสัตว์จาพวกใดอ่าเผาล้นจิตใจของคนใดย่อมทําใจของสัตมนั้นของคนจําพวกนั้นให้เมื่อขบนอนตการยิ่งกว่าความเมื่อไฟนอกอันประกอบด้วยองค์สี่คือไม่สามารถจะรู้เหตุรู้ผลต้นปลายตามความเป็นจริงเช่นหลงไปว่าบิดามารดาไม่มีคุณครูบาอาจารย์ไม่มีคุณ คนทําคุณไม่มีคุณเหล่านี้เป็นต้นไฟกองนี้แหละมันเผาล้นสันดานให้เราร้อนยิ่งกว่าไฟกองอื่นๆและรแรงยิ่งกว่าไฟทั้งสองกองที่ได้กล่าวมาเป็นเหตุก่อให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาเพราะเป็นเครื่องสนับสนุนไฟกองแรกคือราคัคคีเป็นเครื่องสนับสนุนไฟกองที่สองคือโทสัคิทาให้กลายเป็นคนหูเบาเป็นคนดื้อรั้น นะเป็นคนดื้อรัน้นคนเราพอมันโง่เง่าแล้วก็มันก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างตามอำเภอใจนะตามอำเภอใจทําอะไรโดยขาดความยั้งคิดให้คนมีโมหะนี่ก็คือคนโง่นั่นเองนะพูดง่ายๆคือคนโง่คนลองถ้งโง่ตอนนั้วก็หมดท่านะหมดท่าจริงๆมันมืดไอ้ความมืดเนี่ยมันเราจะมองไปมันก็ไม่เห็นนะ ทำอะไรก็ไม่เห็นจะหยิบก็ไม่เห็นจะเดินเหินก็ไม่สะดวกเด็กก็ตกล้มตกล่องาถูกน้ําทิ่มแทงกัมเอาอสารพัดสารพัดนี่เพราะไอ้ตัวโมหะนั่นเองบางทีไอ้ตัวโมหะนี่มันเียกว่าไอตัวโมโหบางทีเราพูดแม้กูลโมโหมึงเหลือเกินเนี่ยไอ้ตัวก็คือกูโมหามึงเหลือเกิน่ลลกูนั้นหลงมึงเหลือเกินว่างั้นเถอะไอ้ตัวโมหมะห ต, มหตัวนี้นเราหลง ฉะนันจึงบอกว่าในกิเลสสามกองอย่างเนี้เป็นเครื่องเผาผลาญจิตใจทำให้ใจของเราหมนหมองใจหมนหมองไหมเป็นค้าศึกศัตรูของอจิตใจนะเป็นธรรมชาติที่ฆ่าจิตใจเป็นเครื่องนำความคับแคลนใจเมื่อมอีอะไรมาทับถมอยู่ในผู้ใดแล้วย่อมทำ เมื่อสิ่งเหล่านี้มาทับถมอยู่ในจิตใจแล้วก็ย่อมทำผู้นั้นให้เป็นผู้บอดให้ตาบอดให้หูหนวกไม่มีจักสุนะไม่เห็นของจริงไม่มีปัญญาอย่างรู้ความจริงไกลาจากกระแสะแห่งพระนิพพานคือความดับทุกข์อันยิ่งนะพูดง่ายๆก็คือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุให้เกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้หนทางให้ถึงความดับทุกข์จึงเป็นตัวกิเลส ว, วัตตะ หมายถึงว่าทําให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดอันเป็นเหตุให้ทํากรรมแล้วให้เสเวยผลแห่งกรรมคือวิบากแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารไม่รู้จักจบจักสิ้นนี่ไม่รู้จักจบจักสิ้นก็คือเอ ก, กิเลสสามกองกิเลสสามกองนี้มันเป็นไฟภายในและก็มันเป็นสนิมในใจเหมือนกับสนิมมันเกิดจากเหล็กแล้วมันก็กัดเหล็กให้ผุให้กร่อนไปให้จิตหายไป ไอ้กิเลสสามกองนี้มันเกิดขึ้นในใจของไขมันก็เผาจิตใจของผู้นั้นให้เร่าร้อนให้กระวนกระวายให้ย่อยยับไปให้ชิบหายไปฉันนั้นเหมือนัน <c oughs> ถ้าจะตั้งปัญหาถามว่ากิเลสทั้งสามชนิดนี้เป็นสภาพเผาหลนจิตใจให้เร่าร้อนได้อย่างไร <c oughs> และที่ว่าร้อนกว่าไฟธรรมดานั้นอ่ะคือมันร้อนอย่างไรอันนี้เราก็แก้ได้เลยว่า กิเลสทั้งสามชนิดเป็นกิเลสวัตตะที่เป็นเหตุแห่งกรรมวัตตะคือกรรมย่อมนําให้ได้วิบาก ค, คือผลแห่งกรรมวิบากนั่นเองเป็นเครื่องเผาใจให้ขุน ม, มัวคือร้อนยิ่งกว่าไฟธรรมดาอย่างนี้เป็นไฟที่ไม่ไม่มีประมาณร้อนอยู่ได้นานๆไม่รู้จักหายไปเพราะเป็นเหตุให้เวียนไหวา ย, ายเกิดอยู่ในวัตตะสงสารไม่มีที่สิ้นสุดทายาทามากิเลสสามชนิดที่ได้นามว่าอักคีนั้น มัดไหนตัดได้เป็นสมุดเขตทัปประหารไม่อะไรเป็นเครื่องเทียบเคียงจึงรู้ได้อันนี้เราก็ตอบได้เลยว่าราคะโทสะอนนาคามีมัดตัดให้เป็นสมุดเขตทัปประหารได้หมายถึงว่าคนที่ไอไอกิเลสราคะโทสะเนี่ยโสดาบันก็ละไม่ได้สกทาคามีก็ละไม่ได้อนาคามีมัดจึงจะละได้นะตัดได้นนี่ในสังโยชน์สิบเต้องอนนาคามีมัด อจึงจะละราคาโทสะได้ตัดให้เป็นตงมุดเฉดเมตทาหารได้อส่วนพระอารหันต์นั้นตัดให้เป็นตงมุดเฉดเมตทาหารได้ก็คือสังโยติโงหะนี่ต้องพระอารหันต์จึงจะตัดได้คือหมายถึงความหลงคือตัวอวิชชาในสังโยตินั้นคืออวิชชาเป็นข้อที่สิบตั้งแต่ ปกายติถิวิจิกิจฉาสีรัปตาปรามาดกามราคะปฏิคโรปราคะอาโรปราคะมานะอุทจะอวิชาคืออวิชาคือตัวโมหะไม่อาหัตมรรคจิมตว์ได้น่ะมีสังโยชน์ติดเป็นเครื่องเทียงเคียงดูฉะนั้นอาเหตุไรกิเลสสามชนิดจึงเป็นอคิมีบาลีอ้างถึงที่ไหนบ้างน่ะอันนี้ก็ตอบได้เลยว่าเพราะเป็นเครื่องเผาลนสันดานจิตใจของสัตว์ ให้เล่าร้อนกระวนกระวายไม่รู้จักจบสิ้นอที่จะกล่าวถึงในที่นี้ก็มีในอาทิตะปรยายสูตรนะในอาทิตะปรยายสูตรคือราคักินาโทสกินาโมหกินาร้อนแล้วด้วยไฟคือราคะร้อนแล้วด้วยไฟคือโทสะร้อนแล้วด้วยไฟคือโมหะอย่างนี้เป็นต้นเอาละเกี่ยวกับการบรรยายในเรื่องของ อาเคตคือไฟสามกองมาก็พอสมควรกับเวลาในที่สุดนี้ขอให้นักเรียนนักศึกษาและท่านสาธุชนทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความสวัสดีขอเจริญพร